สี่วิปัติปัจจยวาระวาระว่าด้วยความวิบัติเป็นปัจจสองร้อยแปดสิบสี่ถามเพราะสีลาวิบัติเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะสีลาวิบัติเป็นปัจจัยต้องอาบัติ4อย่างคือ 1. ภิกษุณีรู้อยู่ ปกปิดธรรมคือปาราชิกต้องอาบัตปาราชิกสองภิกษุณีสงสัยปกปิดต้องอาบัตทุลใจสามภิกษุปกปิดอาบัตสังฆาทิเศษต้องอาบัตปาจิตตีสี่ภิกษุปกปิดอาบัตชั่วยาบของตนต้องอาบัตทุกกด เพราะสีลวิบัติเป็นปัจจัยต้องอาบัติ4อย่างนี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหร่ละบรรดาสมถะเจ็อย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสีอย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัติ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 285ถามเพราะอาจารวิบัตเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะอาจารวิบัตเป็นปัจจัยต้องอาบัตหนึ่งอย่างคือภิกษุปิดอาจารวิบัตต้องอาบัตทุกกฎเพราะอาจารวิบัตเป็นปัจจัยต้องอาบัตหนึ่งอย่างนี้ถาม อาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตส4อย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไรละบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตส4อย่างจัดเป็นวิบัตหนึ่งอย่างคืออาจารวิบัติบรรดากองอาบัติ7กองจัดเข้ากองอาบัตหนึ่งกองคือกองอาบัตทุกกฏ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิตบรรดาอธิกรณสอย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรณ์บรรดาสมุทะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมุทะสามอย่างคือ 1. สำมุขาวินัย 2. ปฏิญญาตการณะ สามสมุขาวินัยและตินวัฏฐารกะ286ถามเพราะทิฏฐิวิบัติเป็นปัจจัยต้องอาบัติเท่าไหร่ตอบเพราะทิฏฐิวิบัติเป็นปัจจัยต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ภิกษุไม่สละทิฏฐิบาปจนกระทั่งสงส่วนสมนุภาพครบสามครั้งจบยัติ ต้องอาบัตทุกกฏจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุกกฎสองตัว 2. จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตปาจิตตีเพราะทิฏฐิวิบัติเป็นปัจใจต้องอาบัตสองอย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตส4อย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหร่ละ บรรดาสมถะเจ็ดอย่างระงับด้วยสมถะเท่าไรตอบอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสีอย่างจัดเป็นวิบัตหนึ่งอย่างคืออาจารรวิบัติบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตสองกองคือ 1. กองอาบัตปาจิตตีสองกองอาบัตทุกกฎ บรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งสมุทฐานคือเกิดทางกายวาจากับจิตบรรดาอาธิกรณสี่อย่างจัดเป็นอาปัตตาธิกรณ์บรรดาสมถฏฐเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถฏฐสามอย่างคือ 1. สำมุขาวิไนย 2. ปฏิญญาตการณะ 3. สำ ม, มุขาวินัยและตินวัฒารกะ287ถามเพราะอาชีววิบัตเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะอาชีววิบัตเป็นปัจจัยต้องอาบัติ 6. สมุดฐานคือ 1. เพราะเหตุแห่งอาชีวะเพราะการแห่งอาชีวะ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 ต้องอาบัตปาจิตตี 5. เพราะเหตุแห่งอาชีวะเพราะการแห่งอาชีวะภิกษุณีออกปากขอโภชนะอันประนีมาเพื่อประโยชน์ของตนแล้วฉันต้องอาบัตปาติเทสนิยะ 6. เพราะเหตุแห่งอาชีวะเพราะการแห่งอาชีวะภิกษุไม่เป็นไข้ ออกปากขอแกงหรือข้าวสุกมาเพื่อประโยชน์ตนแล้วฉันต้องอาบัติทุกกฎเพราะอาชีววิวบัติเป็นปัจจัยต้องอาบัตห6อย่างเหล่านี้ถามอาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัตสีอย่างจัดเป็นวิบัติเท่าไหร่ละบรรดาสมถะเจ็ดอย่างระ ง, งับด้วยสมถะเท่าไหร่ตอบ อาบัตเหล่านั้นบรรดาวิบัติ4อย่างจัดเป็นวิบัตสองอย่างคือ 1. ศีลวิบัติ 2. อาจาราวิบัติบรรดากองอาบัตเ7กองจัดเข้ากองอาบัตหกกองคือ 1. กองอาบัตปาราชิก 2. กองอาบัตสังฆาทิเศษสากองอาบัตทุนละใจสี่กองอาบัตปาจิตตี 5. กองอาบัตปาติเทสนิยะ 6. กองอาบัตทุกกฎบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัต6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐาน6สมุดฐานคือ 1. เกิดทางกายไม่ใช่ทางวาจาไม่ใช่เกิดทางจิต 2. เกิดทางวาจาไม่ใช่เกิดทางกายไม่ใช่เกิดทางจิต 3. เกิดทางกายกับวาจา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 1>, 1. สัมมุขาวินัย 2. ปฏิญญาตกรณะ 3. สัมมุขาวินันและตินวัฒนารกะวิปัติปัจจยวาระที่ 4. จบ